หลายทั้งปวในโลกนี้นะเ้าจะจำแนกแยกแยะแล้วเนี่ยมันก็มีแค่สามเท่านั้นแหละสิ่งที่ชอบนะสองสิ่งที่ไม่ชอบสามสิ่งที่เฉยๆสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็นักจกพยายามหนีห่างอยู่ไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งเป็นสิ่งที่เราเกลียดด้วยแล้วนี่นะนไม่อยากจะเจอเลย อะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราเกลียดนี่เราจะระมัดระวังมากแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะระวังด้วยเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราเกลียดเท่านั้นนะไม่ใช่สิ่งที่เราไม่ชอบเท่านั้นนะไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยชีวิตจํำแย่ก็เพราะไอ้สิ่งที่ตัวเองชอบนั่นแหละยุตเตีย ง, ง่ายๆเนี่ย หลายคนเนี่ยชอบบุหรี่นะชอบเล่านะชอบการพ น, นันเนี่ยอันนี้มันก็ทำให้ชีวิตเขาเนี่ยตกต่ำายําแย่เจ็บปว่วยหนีสินมากมายล่มละลายครอบครัวแตกแยกก็เพราะไอ้สิ่งที่ชอบนะชอบจนถอนตัวไม่ขึ้นชาว บ, บ้าหลายคนเนี่ยเป็นมะเร็งนะในตับก็เพราะชอบกินนะปลาดิบนะ กินปลาดิบนี่มันก็มีพญาต์ใบไม้ในตับไอ้ไม่ชอบไม่กินอ่ะชอบกินแต่พวกปลาดิบเนี่ยก็เลยอายุสั้นนะแต่ตัวอย่างที่พูดมานี่เนี่ยนะมันเป็นของที่หลอกกระลุกนะว่ามันมีโทษชัดเจนอยู่แล้วนะเช่นเล่าบุหรี่การพนันันพญาต์ใบไม้ในตับแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่มีพิษไม่มีภัยเนี่ยดูดีๆมันก็อันตรายเหมือนกันนะอาหารที่เรากินเนี่ยหลายอย่างเลยนะ มันก็ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่คนก็ป่วยเช่นเป็นโรคเกานะเกาเพราะอะไรนะเพราะชอบกินเครื่องในนะหรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นเบาหวานกันเยอะนะเพราะอะไรนะก็เพราะชอบกินของหวานเช่นน้ําตาลเป็นโรคหัวใจนะจนตายกันนะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรนะก็เพราะชอบกินพวกไขมัน บางคนก็ชอบกินของทอดบางคนเป็นโรคหัวใจแล้วก็ยังอยากจะขอกินขาหมูเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยตายเพราะสิ่งที่ไม่ชอบนะเช่นเชื้อโรคนะความอดอยากคิวโหวยไม่มีใครชอบนะแต่คนสมัยเนี่ยตายเพราะสิ่งที่ชอบกันทั้งนั้นแหละตายเพราะอะไรเพราะเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจโรคเบาหวาน เดี๋ยวนี้เขประมาณว่าคนทั้งโลกเนี่ยนะหนึ่งในสามเนี่ยอ้วนสองในสามเนี่ยน้ําหนักเกินหนึ่งในเจ็ดเป็นโรคเบาหวานหนึ่งในห้าตายเพราะโรคมะเรง็งอันนี้ก็เรียกว่าพ่อแหล่นะพราะผ้าของชอบทั้งนั้นแหละน้ําตาลก็ดีไขมันก็ดีนะหรือว่าแป้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็รู้กันแล้วน ะ, ว, นะว่าไขามันเนี่ยกินมากๆไม่ดี แต่ว่าหลายคนก็ยังเลิกไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นของชอบเนีย่ยยงตักอาหารเนี่ยนะเราก็จะตักนะพวกเนื้อนะพวกที่มีไขมันนะอีกอย่างกนะ็คือพวกที่มันหวานตอนนี้เขามีงานวิจัยที่เชียวเห็นว่าเนี่ยน้ำตาลที่จริงอาจจะน่ากลัวกว่าไขามันด้วยซ้ำคนเผ่าอินุนะภาคทางภูรกเหนือ มาไซผู้นี้นะกินไขมันเยอะแต่ไม่เคยไม่เคยเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจโรคความดันแต่พอมาเริ่มกินอาหารสมัยใหม่มีน้ําตาลโอ้โหเป็นกันเยอะคนจีนสมัยก่อนนี่จนกระทั่งเมื่อร้อยปีที่แล้วนี่คนที่เป็นโรคหัวใจเนะบาหวานนี่ก็แทบไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโรคเบาหวานนี่ก็สิบเปอร์เซ็นตเข้าไปแล้วเพราะอะไรนะเพราะน้ําตาล น้ำตาลนี่เป็นของชอบนะใคยๆก็ชอบนะแต่ว่าเพราะของชอบนี่แหละเราก็เลยกินเยอะๆของชอบอย่างนึงคือการอยู่เฉยๆไม่ต้องออกกําลังกายนะะเดินะขึ้นบันไดก็ไม่ชอบนะชอบนั่งลิฟต์นะครับขึ้นลิฟต์นะเดินไปปากซอยไม่ชอบนะก็นั่งรถเอาสบายไอ้เพราะของชอบนี่แหละก็ทําให้เป็นโรคหัวใจกันมากมายนะ ก็เรียกว่าเป็นโรคขี้เกียจนะให้มาพิจารณาดูดีๆนะทุกวันเนี้คนเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยนะชีวิตยำแย่นี่ก็เพราะของชอบทั้งนั้นน่ะ น, นะของหวานนะไขมันน้ำตาลหรือว่าของผัดของทอดนะเครื่องในเนะี่ยบางคนก็ชอบเค็มนะอันนี้ก็ป่วยไปอีกแบบตนไตาวาย ไม่ใช่เฉพาะอาหารนะอาหารชอบที่ทําให้เราแย่นะอย่างอื่นด้วยนะหลายคนก็ชอบเงินนะเงินเนี่ยเป็นของที่ใครๆก็ชอบนะแล้วเงินนี่แหลมก็มันชักจูงให้คนเนี่ยทําผิดศีลกันมากมายอย่างบ่อๆก็ลักขโมยคอร์รัปชันหรือโกงแล้วอาจจะทําให้ผิดศีลเขาอื่นเช่นโกหกนะหรือว่าอาจจะถึงขั้นไปทําร้ายฆ่าคน การเนี่ยก็เป็นของชอบนะที่มันชักพาให้ผู้คนเนี่ยถล่มก็ไปในทางที่เป็นอบายมากมายผู้ชายก็ชอบผู้หญิงนะเพราะอย่างนี้แหละความชอบนี่แหละที่ทําให้มันแย่เกมออนไลน์เนี่ก็เป็นของชอบของเด็กนะผู้ใหญ่ด้วยก็ชักจูงชักนาทําให้อไม่เป็นอดีตหนังสือของคนไม่เป็ น, นงานทางานที่ซ้ํำนะงั้นถ้าดูดีๆแล้วเนี่ยชีวิตคนสมัยนี้เนี่ยที่แย่เนี่ยนะ ไม่สามารถจ ะ, ะมีความสุขก็เพราะอำนาจของสิ่งที่ชอบนะให้สิ่งที่ไม่ชอบนี่ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเราระวังอยู่แล้วไอ้สิ่งที่ชอบต่างหากที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นต้องมีความระมัดระวังนะอ ะ, อะไรตามที่เราชอบเนี่ยเราก็ต้องอย่าเผลออย่าไผลสมัยนี้เนี่ยจิตใจอ่อนแอ น, นะ เจออะไรที่ชอบก็จึงลึงดูดเข้ามาหานะจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเพราะมันบานก็ชอบชนะ้อปปิ้งชอบช้อปปิ้งจนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินมากมายยิ่งสมัยนี้เนี่ยนะมันมีความสะดวกอยู่แล้วนะมีเครดิตการ์ดบัตรเครดิตก็จ่ายไม่อันเอาเงินจากอนาคตมาจ่ายจนเป็นหนี้เป็นสินนี่ก็เพราะของชอบนั่นแหละ ฉะนนสมัยนี้เนี่ยต้องมีสติมากเพราะของชอบมันมีเยอะแยะหาง่ายเข้าถึงง่ายไม่เหมือนสมัยก่อนนะมันมีแต่ของไม่ชอบทั้งนั้นเนะ่นการมีสติสําคัญเนี่ยจะต้องมีความแล้วก็มีความยับยั้งชั่งใจก็คือขันติด้วยนะมีแค่ปัญญาอย่างเดียวไม่พอรู้ว่ามันไม่ถูกไม่พอนะรู้ว่าบุหรี่ไม่ดีแต่ก็ยังติดบุหรี่รู้ว่าเลไม่ดีก็ยังติดรู้ว่าน้ำตาลเนี่ยมันเป็นโทษต่อ ร, ร่างกายก็ยังกิน ไอติมน้ำอัดลมนะเด็กเป็นกันมากไขมันไม่ดีก็รั่วทำให้เป็นโรคหัวใจก็ยังเลิกไม่ได้จะตายอยู่แล้วนะอยู่ในห้องไอซูหรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลล้วก็ยังขอกินนะขาหมูขอกินข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยอันนี้เพราะว่าเราตกเป็นท่าของสิ่งที่เราชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยนะต้องต้องระมัดระวังนะอย่าอย่ามัวไปใส่ใจกับสิ่งที่ไม่ชอบ นะแม้กระทั่งสิ่งที่ชอบนี่ก็ต้องระวังนะต้องมีความยับยั้งชั่งใจบริโภคหรือเกี่ยวข้องแต่พอดนะีอันนี้ก็เป็นข้อคิดนะสำหรับนะเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยก็ลองนะพิจารณาตรงนี้ด้วยนะเราเตรียมรับพ่อนอิชิตังปฏิตังตุมฮังขอยสะผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วพีพาเมวาสมิชาตจงสาเร็จโดยฉาพรรัน สาเพปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปันรโสยัาเหมือนพระจันาร์ในวันเพนมณีโชเทรโสยัาเหมือนแก่มณีอันสว่างสวัยขวรยินดีสาพีติโยวิวาฉันตุควานอาจารย์ทั้งปวงจงบำราดไปสาวพาโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเพตพวัวันตรารโย ο, อันตรารยามีแก่ท่านสุขิธิคายุโกภะวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนหาภิวาทนาสิริสันิจังวุฒาปัจจายโนจตตารุธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภลังทางสี่ประการคืออายุวันนาสุขะภาละ ยอนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กระมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนีิสอวันตุสาพมังคลงังขอสาพาโมกจนจงมีแก่ท่านรกระขันตุสาพาเทวตาอหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาภาภูธานุภาเวนา้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังคาอนุภาเวน่ด้วยอนุภาแห่งพระโสสาธาโสทิพาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดูมื่อเถิด